เห็นดอกไม้ก็นึกในใจโยกนะรูสา่าซื้อมาเนี่ยราคาแต่ละดอกแต่ะดอกหนึ่งทีก็แพงก็ไม่อยากจะไปยั่งดีเนียวแต่ว่าถึงแม้ว่าท่านจะไม่เอาไปทําอะไรต่อไปเนี่ยครับถรือว่าเราให้เป็นสิธ์ของท่านแล้วท่านจะไปให้คนอื่นต่อแล้วอย่าไปทวงเอาไปทวงเอาบุญอีกทอดเดีท่านไม่ได้นะถือว่าเป็นเรื่องของท่านแล้วเอานะครับ ของที่คนอื่นเขาให้เรามาเนี่ยเรารับแล้วเราจะเอาไปทำให้เป็นประโยชน์ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เราได้ถ้าโยมเจ้าของหนาเห็นเขาก็ได้แค่เป็นผู้อนุโมตนาในบุญของของพระองค์นั้นเท่านั้นเองล้วจะไปถือเป็นข้าวเจ้าของอีกไม่ได้ก็ถือว่าขาดศิษของตัวเองขาดไปแล้ว สำเร็จใจแกสำเร็จตรงนั้นสำเร็จสมบูรณ์แล้วถ้าให้แล้วยังไปติดพันน้าท่านต้องอย่างนั้นต้องนี้เขาเรียกว่าให้เหมือนไม่ให้ให้เหมือนไม่ให้ให้แบบมีข้อแม้ ก็อยู่ที่หนึ่งเราตั้งใจให้ใครนะฮะแล้วก็ได้ให้ตามตามหลักตามกติกาที่ควรจะเป็นในสภาพที่เราสามารถจะทำได้ในสภาพนั้นคือคิดรงเนี้ยครับคิดตรงที่มาเกี่ยวกับุเจ้าที่มีผลมากคือถ้าเราตั้งใจหวยนย ผู้ใรับเนี่ยเป็นท้าอรรถเนี่ยผลของนานดีอย่างเนี่ะแล้วเราหมุนตามตามดีจัไม่หายอย่างนั้นใช่ใครับใช่นะครับทีนี้การให้เน่ยเมื่อประสบผลที่ผู้ให้แล้วเนี่ยคุณภาพของผู้รับเนี่ยกับมันทีทำให้มีผลมาามีผมน้อยใช่ฮะใช่ดีนะฮะนานนานด้วย งานที่พี่พูดตรงนี้มันอยู่ที่ว่าผู้รับเนี่ยเขารับอย่างไรนะหมายถึงระหว่างผู้ให้กับผู้รับเนี่ยเจะให้แบบแบบไหนยิ้มมือยิ้มแมวหรื อ, email, ร อ, อยังไงนะครับหรือฝากไปอันนั้นมันก็มีส่วนอยู่เหมือนกันว่าตัวเองได้ทําถ้าถ้โคนตั้งใจจริงเนี่ยก็ต้องพยายามทําโดยกรบแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีอะไรเป็นข้อขัดข้องยังไงก็ต้องพยายามเสียสละถือว่าพยายามมากจนให้อย่างเหมือนกับให้กับมือตัวเอง ทีนี้ให้แล้วเขารับแล้วตามแบบนั้นนั้น่ะเราจะให้แบบถึงมือหรือไม่ถึงมือก็าตางนะครับ<ช>แต่ตอนนั้นเรามมาพูดเขารับแล้วตามแบบของการรับอย่างนั้นๆเขาจะเอาไปทําอะไรต่อไปจะมี เ, เรื่องสมมุติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงส่งพระอุปชนกอแบบเอาทรงพระเทวทัต ไ, ไปรับทานที่โยมคนหนึ่งจะป่วยมาวัดไม่ได้ แต่ก็อยากจะถวายทานพระพุทธเจ้าแล้วก็ในเวลานั้นโอกาสนั้นเนี่ยสมมติอมเอาว่าพระพุทธเจ้าทรงมาไม่ได้แต่โยงคนนั่งก็เลยจะขาดใจใตายพระพุทธเจ้าก็เลยใช้พระเทวทัศน์ไปโยงคนนั่งก็รู้พระเทวทัศตเป็นไงแต่ก็ได้ให้กับมือพระเทวทัศตมือพระเทวทัศน์รับเมื่ อ, อไหร่ถือว่าได้ให้กับพุทธเจ้าเพราะนั่นคือตัวแทนของพุทธเจ้า ยาไปเทียบมาให้กับมือท่านเองนั่นเป็นเรื่องของอีกแบบนะเรื่องของให้กับพุทธเจ้าชื่อว่าให้แล้วในแบบไหนเรื่องเป่ผู้รับต้องมีชีวิตอ๋ออันนี้ก็ต้องมันต้องแยกกันไปอีอกครับทานมันมีเป็นหลายลักษณะในรายละเอียดไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนะเราไ่วต่ออระพุทธเจ้าไม่ได้ครับ อ่าอ่ า, อาเดี๋ยวตรงนั้นก็ไปยิงให้ไม่อีกแต่เดี๋ยวสมมุติเราถวายพระพุทธรูปเนี่ยนะอ่าตรงนี้ก็มีมีปัญหาพูดกันอีกอะความจริงบางคนนี่นก็จะพูดแต่แต่นึกหยุดแนละ้วเพราะว่าเดี๋ยวมันไปใหญ่ว่าพระพุทธเจ้าปฏินิพพานแล้วหรือไม่ปฏินิพพานก็ตามแต่เราสมมุติเราทําถวายกับพุทธเจดี นะะียกว่าพุทธเจดีที่เป็นพุทธบริโภคสมัยนั้นที่พระเจ้าเคยเมื่อเคยขึ้นบางไกลสักบ้านแล้วก็ไปเหยียบใบเหยียบพระบาทไว้บนผ้าพื้นสีขาวแล้วก็บูชากลา่าวไหวเหมือนกับเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเหมือนกับได้ทํากับพระพุทธเจ้าเหมือนกันน ะ, ะแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับเราต้องลด ระดับลงมานะครับหมายว่าลดชั้นลงมาเพราะว่าแน่นอนเราทํากับมือแล้วก็ทํากับพระองค์จริงๆที่ยังอยู่นั้นย่อมได้ในสูงมากที่สุดแต่ว่าเราทําในในส่วนที่มันพัวพันเกี่ยวข้องกับพระองค์ด้วยตั้งเจตนาถึงพระองค์อย่างเช่นทํากับล้าเนี่ยพระองค์ก็ไม่ไ ด, ด, ด, ด้ดีอะไรด้วยใช่ไ้มครับแต่พ้ะสงฆ์เหมือนจะทรงรับรองแหละครับว่าอันรับรองว่าเหมือนจะทํากับทั่ง นะันนีเก็เรียกว่าเป็นลักษณะไกลออกไปหน่อยต้องผม อ, อยากจะของห้ยากมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้เรวานนัที่กำลังกำลังมีท่อเส น, เนอของกระทรวงไอวนะรัที่ว่าให้วันที่หเป็นเป็นวี่จะเป็นวัน เป็นฟังเทศครับแล้วเป็นกัมเทศแล้วให้เอาค่ากรมเทศนั้นไปถวายสบายสมเด็จพระจุลค่ากรมเทศเนี่ยเดินทางถวายแก่ใครก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปทํำด้วยเจตนาอย่างนี้นะครับถือว่าถวายพระคุณเจ้าในหลวง ถือว่าถาวรในหลวงเขาเจตนาไม่มุ่งอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างบางที เ, เขาจัดเย่นจัด ใ, ใ<น>ด้ในด<ใ>นตรีกรันนั้นก็ไม่ติดตามติดแับนี้ครับเราไม่ได้ทํเพื่อมุ่งอยู่ตรงนั้นเราต้องถือจุดใหญ่เป็นสำคัญคนะนั่นนะตรงนี้เท่านั้นผู้ที่ประกาศอะไรเนี่ยไม่ได้สนใจเขาพูดจะขับเ น, นครับ ทีนี้ว่าถําไปมองอีกอีกมุมหนึ่งอีกนะครับอ่โดยยกกรณีอื่นเทียบเพรคนที่เขาเขาพูดเนี่ยบางทีเขาต้องการจะให้คนเนี่ยได้ฟังเทศแล้วได้ทําบุญกับพระแล้วก็ให้ได้รู้ว่าพระเนี่ยรับไปแล้วเอาไป ท, ทําบุญต่อไปหลักนะการอันนี้ประกาศอันนี้ไปบังครับนะ เ ป, ไป็นเป็นครับพราว่า <sua> ท่านตรงมาเทศเทศแล้วท่านต้งบริจาคนครับคุ้มให้มันชัดกันไปซะนะไม่เท่มนั้นนะฮะเรื่องนี้อาจจะเป็นในแง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นว่าเมื่องถวายการเทศนียเป็นเรืองของสงฆ์เป็นเรื่องอก็แหมความจริงท่าเรื่องอย่างนี้ คือทางข้างบนเนี่ยเขาคงไม่มาพูดเงี้อ่นี่พระทุกองในวัดเนี่ยมีจีแสนองเทศได้หมดแล้วก็ค่าพันเทพมาถวายชันนะหรือถวายในหลวงของนะก็เป็นการเรียกคนระดับสูงใกล้ๆ ใ, ในหลวงพูดอย่างนี้ก็เป็นการเริ่มในลักษณะเป็นรูปบังคับไปนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของวัดแต่ละวัดได้รับรีขึ้นนะครับ แล้วก็ปรารถนาจะทํากันอย่างนี้แล้วก็พูดให้โยมฟังนะครับว่าโยมทําบุญอย่างเนี้ยก็เหมือนกัะได้เหมือนได้บุญสองต่อว่าทําบุญฟังฟั ง, ฟงเทเไปบุญแล้วก็ถ้าติดกันเทศถวายพระเนี่ยก็จะบอกให้โยมได้ดีใจว่าคือพระรับกันเทศแล้วก็จะไม่ไปใช้เป็นส่วนตัวอย่าไม่รับเป็นส่วนตัวอย่าไปทําบุญอีกต่อหนึ่งโยมก็ได้อนุโมทนา นี่ทัชาว่ากระตนันดับชั้นนะได้อนุโมทนาว่าพระท่านได้ไปทำบุญเกลี้ฟางแล้วก็น่าเกลียดหน่อยไม่รี้หรือจะพูดดีก็บอกว่าไปสงเเราะว <monumental> ันน <around> ั้นเขาบีบนั่รแหละวันนั้นเขาบีบนงอน้นนี้อ่าทีนี้ว่าแก้ไขกันตั้งแตบต้นผมว่า ทีนี้ว่าถ้ามองกันอีกมุมหนึ่งว่าสถาบันสงเนี่ยถ้าว่าโดยเนื้อเนื้อของสภาพธรรมเนี่ยนะครับเราก็ต้องถือว่าสูงในหลวงเองก็จะทรงสักการะบูชาแต่พระจะทำอย่างนั้นบ้างก็ก็ถืถอว่าเป็นการสงเคราะห์สงเคราะห์โยมไม่ใช่สราะคุณสงสงเคราออะห์เลยไปถึงโยม <c oughs> มันก็เหมือนเราซื้อสลาบ สร้างฝึกเนี่ยจิจุลาเนี่ยคือซื้อตลาดกินแบงอะกลายเป็นว่าทางการรัชการทางรัฐบาลม่ลสามสงก็นั่นอิครับว่าวิธีการทำอย่างไรถ้าเฮ้ยส่งสงข้ารัชการเราเราผมไม่เค้ทำเนตามประจับแล้วผมมด้วยแต่ว่ามูลสามสงให้เอเงินผกติดกรันเทศนัน ครับมันอาจจะพลาดในเรื่องความเหมาะสมนะเอเราไม่ตาตกใจจนพูดแย่ไปหนะ่งนะแล้วพูดนในห้องนี้นก็งคงจะเป็นเรื่องที่ต้องต้องยกเหตุผลกันเป็นหลายอย่างดีเดียวนะมันต้องมองมองหลายแง่ให้เรื่องในแง่บุญอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาล่ะแต่ในแง่ความเหมาะสมหรือไอจะเป็นบาปในมุมอื่นหรือไม่ก็คงจะเป็น อีกเรื่องหนะึ่งเดี๋ยวจะเหมือนเหมือนทหารสมัยพระเจ้าอโศกอยากแค้ให้พระดีกันทั่วนาองค์ไหนไม่ดีก็เลยจับข้ามด <c oughs> เอาล่ะครับ ก็เป็นอันว่าทางวัตถุนี้ได้พูดถึงตัวบุธรลูกนะครับที่เรามาตั้งตั้งแล้วก็บูชาเป็นอย่างปาสีบุคคลิกก็คือเราบูชาบนที่ละถ้าเป็นแบบสังฆทานก็คือเอามาตั้งเป็นประธานสูงเป็นเรื่องขปรมมุกพุทาปะปมมุกอุปโตลสงูง ตั้งที่นั่นแล้วก็จะทําให้เหมือนกับมีพระเจ้าทรงอยู่เป็นประธานเหมือนกับสมัยพุทธกาลอย่างนี้ก็ไม่ถึงกับได้บุญเหมือนกับของจริงหรอกนะครับแต่ว่าเจตนาเราก็พาดพิงไปถึงท่าน<ม>ก็พอจะสงเคราะห์ได้แต่ถ้าเองท่านก็ก็ปคูณไว้บ้างเหมือนกันนะครับเรื่องภูมิลุกในลักษณะที่เรามาทํากันนี่บางที โบราณจะได้ฟังจากสรกที่ท่านอ่านจา่กรถาเอาไปปฏิบัติกันจากกะาพรสูตกกนนรนี้เพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ผมยังไม่ได้พูดถึงสงสังฆทานนะครับสำหรับสังฆทานเนี่ยท่านก็ลำดับชั้นบุคคลเอาไว้เกดถึงแปดประเภท น, นะครับมีพิเศษเป็นแปดพระสูตร น, น, นะครับคือถ้าโดยสังฆทานที่ได้บุญมากที่สุด ก็จริงๆนี่ไปเกี่ยวกับตัวบุคคลด้วยเหมือนกันคือมีสงสองฝ่ายโดยมีพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้เป็นอา น, นิสงส์ว่าที่สุดสงสองฝ่ายก็คือภิกษุและภิกษุณีสมัยพุทธกาลเดี๋ยวนี้ก็เอาแม่ทีมาแทนกันแล้วกันหรือไม่งั้นก็ไปทำอเมริกานู่นมีมีภิกษุณีมายานนะ ตอนนี้มลมาแต่ว่านนี้พูดแล้วนะคงจะนึกกัดข้องกันอยู่บ้างแล้วเราเจรวาดแล้ว น, นี่มลมาอย่างที่มีาพาะวิจยัยกันอยู่บ้างเหมือนกันคนไทยเราไปบวชเป็นชื่นีสงในอเมริกาแล้วก็ น, นี่มลพระไทยที่ไปอยู่อเมริกามานั่งมีพระบุตรลูกแล้วก็ทำบุญไออย่างนี้ก็เข้าๆแต่ในเมืองไทยคงจะได้แต่ไม่ที หรือม่ก็อาจจะสงบังสำนักนะครับที่ที่มีรับพวกที่สองอันนี้สงลองลองมาก็คือสงสองฝ่ายแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งในที่นี้ท่านในพระสูตรนะท่านพูดเอาไว้ว่าในการเมื่อเราปรินิพานไปแล้วมูเจ้าปรินิพาน อันนี้มืนก็ว่าท่านจะว่าที่จะทําได้อย่างมิวเจ้าเป็นประมุขจริงๆนั่นนะครับอันนี้สงเป็นที่จริงๆนั้นเหมือนว่าต้องเป็นสมัยพุทธกาลนะครับ น, นั่นที่มีพระพุทธลูกหรืออะไรเนี่ยก็ในในในภาษาบอกว่าพระพุทธรูปที่มีพระบรมารารบสารีริกธาตุเน่เขาพระธาตใส่เข้าไปด้วยจะได้มีเลขข้อมีเชื่อพระพุทธเจ้าเยอะๆหน่อย ที่สามก็คือภิกสุงสงฆ์เพียงฝ่ายเดียวนี่มาอันดับสามนะอันดับสี่คือภิกษุภิกษุณีสงฆ์คำว่าสงฆ์หมายถึงกลุ่มตั้งกลุ่มพระกลุ่มพระชายพระหญิงนั่นแหละครับเรียงสงฆ์ได้ที่ห้าก็คือจอกจงภิกษุ บางส่วนจากปลุ่มสงฆ์มาว่าสงฆ์เมื่อสงทั้งคณะเนี่ยเราก็หมายถึงก็จะทำองค์เดียวแต่เราก็หมายถึงก็จะทำทั้งวัดหรือทำทั้งเท่าที่เราเห็นอยู่เนี่ยกี่วัดก็ตามอ่าทับทำมีเรียกว่ามีกี่องค์ทงหมดนิ ม, มนตหมดทั้งวัดม่เลือกเอาบางส่วนจากส่วนใหญ่ นี้ไม่ทราบว่าเจ้าอ่าอ๋ออันนั้นมันก็แล้วแต่คนดิครับอ่าครับคือไม่ต้องตรงใช่ใช่ารนี้ก็เรียกว่าบางส่วนจากทั้งหมดนะสองทั้งหมดนะสองทั้งหม ด, หม ด, หมดอ่าทั้งหมดเลย ไม่ใช่สี่หรือเจ็ดหรืออะไรกันนี่นะคะนรับเีื่อเรามีน้อยทําน้อยนะี่มันเรื่องของเรามันเหตุผลของเราแต่ว่าในเงื่อนไขว่าใครทามากในมามันก็ยังเป็นเงื่อนไขตามหลักการใช่ไหมครับประเดจะเอาเอาไปงองแง่เอา เ, อาเอาองเาเื่อนไขตัวเองเขาก็ก็ยังไม่ถูกบอกแม่ที่จะต้องกากินทํากันหมดหมดก็แล้วบอกแม่นั่นนั่นน่นตามหลักเกณฑ์นะครับใครทำมากในมาในก็ถูกอยู่แล้วใช่ไหมครับ ใครทำล้านก็ได้ล้านในกรธรรมดาจริง ใ, ใครจะไปทำบาขึ้นบาก็ก็ได้ก็ไม่ได้บังคับแว่าราเปรรบุญบาับแต่ว่าดงมต้องาครับครับอนนี้การจอดจงมันก็มีมันอยู่ที่ว่ากลุ่มเนี่ยมันหมายแคบควางแค่ไหนแต่วัดหนึ่ง หรือนิกายนั่นนิกายหนึ่งหรือในจังหวัดนั้นอะไรก็แล้วได้หลายอย่างแต่เจาะจงจากบางส่วนเท่าที่เรารู้เราเห็นที่เราอาจจะทําทั้งหมดได้ในส่วนนี้แต่เราก็เอาเสียอีกต่อยลงไปนี่ก็ได้อนนิสงลดลงไปที น, นี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือพิกษุณีบางส่วนจากสงนะอันนี้จะเปลี่ยนจากาพระเป็นภิกษุณี ยังทำเงินพิเศีได้อันนี้สูงแรงรองไม่ใช่แรงนะรองกบละ่ะแต่นาน้อยใจเหมือนกันแต่ฝ่ายนง้เป็นยังไงก็อย่าอย่าท่นไม่จบปะทีนี้นีเจ็ดนั่นนะครับครบเจ็ดเาหแล้ว ผมข้ามข้อห้าเนี่ยครับที่จริงข้อห้าหมายถึงข้อห้าแทรกไปเป็นข้อห้า น, นะครับที่ที่ห้าเมื่อกี้เลื่อนมาเป็นหกทีเจ็ดคือสงทั้งสองมีสทั้งสองสงทั้งสอ ง, งก่อนที่มาเป็นทพิษุสงพวกเดียวพิษุนิพวกเดียวสงทั้งสองสมมว่ามีวัดนี้หรือคณะในมสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าพารัะ แล้วก็โยมก็ไปทําบุญเลือกเอาทั้งพระหญิงพระชายแต่ไม่เอาหมดพระหญิงก็ไม่เอาหมดพระชาก็ไม่เอาหมดคัดมาหรือโดยให้สงคัดมาบางส่วนอันนี้ได้อา น, นิสงส์เป็นอันดับที่ห้านะคะรับต้องว่าเป็นสงฆสงฝ่ายถ้าที่สู่ฝ่ายเดียวก็ลดลงไปที่สุนีฝ่ายเดียวก็เป็นอลําลดับที่เจ็ดเป็นที่สุดนี่นี่ เป็น 7, เจ็ดนะครับที่นี้ที่มีแปดเนี่ยเพราะว่าทั่วสามีพมุทธเจ้าเป็นประมุกแล้วก็สงสองฝ่ายไม่มีหลังหลังพุทธตา ร, ริณิพานไม่มีเจ้าเป็นประมุกอาจจะสมัยพุทธพุทธเจ้าอยู่แต่ว่าไม่ได้นิมนต์ไปแล้วก็ภิกษุสงอ่าอ่าแล้วก็ภิกษุณีเนี่ยเป็นที่สี่นะและที่ห้าก็คือสงสองฝ่าย อากบางส่วนบางส่วนจากทั้งหมดแล้วก็พิสูจบางส่วนจากทั้งหมดที่สุนีบางส่วนจากทั้งหมดเป็นเจ็ ด, จจดทีนี้นะครับสูตรเนี่ยในตอนจริงท่านหน้าจะพ่วงเข้าไปในพวกนั้นแต่ว่าท่านตรงการจะพูดถึงถึงสงที่ยังเป็นสงแท้ๆสงที่ยังเป็นเพศสงครบบริบูตร มีสีลังจาวัตก็บริบูรณ์ที่ท่านบอกว่าแม้อนาคตการเบื้องหน้าที่พระศาสนากำลังโซมลงไปลงไปเนี่ยพวกวิสุทสงฆ์ที่เป็นสงแท้แทสงเต็มหลักพทววินยัยของครองพระเหลืองอย่างนี้มีสีลังจาวัตยอย่างนี้ดำเนินชีวิตยอย่างนี้ก็จะหมดไปครับนักๆเข้านเนี่ยอาจจะมีเรื ห, หัวแทนที่จะ จะโกนทั้งหวัวลก็อาจจ้โกนครึ่งอยด่แต่ว่าอาจจะไม่มีลังตออาสามในพูนถึงขนาดนี้มีผ้าเหลืองห้อยหูเป็นสั ญ, ญลักษณ์ครับอย่างอืองเนี่ยปชาวบ้านหมดจะมีพระเหลืองห้อยหูหรือมีอาชีพทํางานเหอนกับพระญี่ปุ่นอ่ะตวามยิ่งไม่เจ็บละยังไงที่มีบุดมีภรรยาครอบครองกรในพวกมมีเงินฝากในธนาคาร อะไรเหมือนใจชาวบ้านกรอบก อ, บอบงกัสินเงินดอกอยังท่านพูดอย่างนี้ในนาคตการเบื้องนาซึ่งท่านใช้คําเรียกที่สูสงพวกนี้ว่าเป็นโครตรภูสงอันนี้น่าจะเป็นค่อยคําที่ควรคิดใจแล้วก็แทรกเอาไว้ในความเข้าใจในห้อวงยวี่โคต ร, รียมราบีสามกันหน่อยปกติคําว่าโคตรตะพุหรือโคตรตะูเนี่ย โคตรตพูหรือโคตรตะระผูแปลว่าครอบตัดหรือครอบเงาก็ได้หรือหมายถึงข้ามก็ได้พูข้างหลังเนี่ยโคตรหมายถึงโคตรอันี่คําว่าโคตรเนี่ยอันในความหมายเดิมก็หมายถึงโคกเเงาเหล่าก่อเห็นโคตมาโคตรเป็นต้นเดี๋ยวนี้ก็ นามตกูลแต่เป็นโคที่ในทางธรรมเนี่ยท่านเกิดจะเรียนเอาความธรรมะในไปเรียนความสํำนึกสรางโลกผู้พูดในเช้าโลกเข้าใจได้จากสิ่งที่เข้าใจมาสู่สิ่งที่เข้าใจท่านก็กล่าวถึงโคตรภูธรรมโคตรภูธรรมหรือโคตรภูบุคคลซึ่งหมายถึงยานยานหนึ่งบุคคลที่เข้าถึงถึงยานยานหนึ่ง ยานนั้นน่ะเป็นยานที่อยู่ระหว่างความเป็นปุถุชนกับความเป็นอริยบุคคลงั้นใครที่อยู่ตรงนี้ถือว่าครอบงำโคดปุถุชนพ้นโคดปุถุชนแล้วแต่ยังไม่ถึงโคดอริยะอยู่ ก, กลางๆใช่ไหมครัอันนี้ในแง่ระะงัตว่าวธรรมแต่ว่าในแง่นี้ท่านหมายถึง พระที่อยู่กึ่งกลางระหว่างพระจริงๆกับชาวบ้านจริงๆนี่จะว่าพระท่านก็นสวดมนต์ท่านก็บินธาบาตขอชาวบ้านนะเป็นที่ศรัทธาหวังบุญของชาวบ้านแต่จะว่าเป็นเป็นชาวบ้านก็เออเป็นเป็นเป็นพระจริงๆก็ไม่ใช่อก็แหละทํทาไมท่านไม่ได้ดําเนินชีวิตอย่างพระ ทำไมท่านไม่ดํารงเพศอย่างที่พระจริงๆดํารงท่านกเรียกว่าโคตรภูคือเป็นพระที่อยู่ขึงกลางไม่ยอมรับว่าเป็นพระแท้ไม่ปฏิเสธว่าเป็นเจ้าวบ้านไปได้เลยเรียโคตรภูสงฆ์อย่างท่านบอกว่าแม้ว่าศาสนาพุทธจะถึงยุคเสื่อมถึงขนาดนี้แต่ว่าตาธารชนคนใดที่ได้ทําบุญ สงนะครับตรงนี้ท่านท่า น, นมามาพูดกับกรณีสงเท่านั้นไม่พูดในกรณีของบุคคลเป็นประเทศเนี่ยคล้ายๆว่ามีผ้าเหลืองห้อยหูก็มาคนละเส้นแล้วเส้นแล้วเส้นแล้วก็นิมนต์ ม, ม, มาฉันที่บ้านแต่เราเล็กว่านี่คือสงตัวแทนของสงเราทําบุญด้วยเจตนาอย่างนี้ก็ยังได้อานิสงส์นับไม่ถดนี่เห็นไหมครับว่าเจตนาของตัวไหนนั้น ได้ไปเกี่ยวพันกับสังคมน์เรียกว่าสังขมลทนหรือสงสังขบริษัทครับจึงด้า น, นสงมากอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็อย่าลําอย่าเรียกว่าอย่าเดือดร้อนใจได้เลยนะครับใครที่ไปใส่บาทแล้วตลาดสะพานควายตอนเช้าไปเจอพระ ห, ะหลายๆองค์ที่กึ่งเก่งหูรูด จ, จะเล่มองจีวรดั้งกันชางมันเถอะก็ถือว่ายังดีกว่าพูดตะลภูสงหน่อย ก็ น, น, น, น, น, นั่งอย่างนี้ท่านเชิงไม่เสียว่าเป็นพระแท้เป็นเจ้าบ้านแท้ไงนี่ะถึงเรียกว่าโคตรภูสูงคือไม่ใช่จะบอกว่าจะไม่พูดว่าเป็นเป็นอก็สงศ์เนี่ยหมายว่าก็นั่นดีก็ถึงทางเดินปฏิเสธแต่ยังต้องรักษาตาบราหมายถึงประเภทที่เขาไม่เหมือนแค่เจ้าบ้านดีเดียวนะเขายัางรักษาสั ญ, ญลักษณ์ของพระเอาไว้บ้างยังมีที่พระอยู่บ้าง ก็คื อ, ส ม, อนนสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยสมัยต่อไปเนี่ยว่าอีกหน่อยศาสนาจะเสื่อมลงอัันนน้ยงไรก็จะค่ อ, อ, คอยๆคลายเกลียวของตามเคร่งคาดลงไปถูกละถูกลืมไปทั้งธรรมทั้งศีลนะรวมทั้งเที้ยนศีลเพง้ยนก็คือศีงลงุ่งละอย่างหนึง่งก็เราเราก็ดูสิครับก็อย่างแม้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะศาสนามีหลายมิการอย่งญีปุนเนี่ย ละกองก็ใหม่ๆก็ว่ามันเป็นพระต่อไปต่อมาแล้วก็ว่าเป็นพ้ะหแหะ่ะเป็นพระญีญ่ปุ่นเห็นไหมครับพรญี่ปุ่นที่มีพยายามมีอะไรแต่ไรเหมือนกับเป็นเจ้าบ้านกินเหล้าสาเกดได้แต่พระจีนจะเป็นอย่างที่ในหนังจีนท่ามมโนกไม่รู้นะล้ะ ต, ตอนวิ้าฆ่าคนนะบางทีบางทีพระก็ข่าตัวเอง คือว่าโดนพวกอันตรธานออกมาจริงพอเบียดเบียนทนไม่ไหวเข้ า, ตาแต่บาดแผลกันไอคอนแท้จริงอาจจะดีแต่แม้แต่เราเห็นแล้วเราก็ไม่อยากให้พวกดาวจีนงเต้องมาสร้างหนังกับพระคุณศรีสถา บ, บันสงฆ์อย่างนี้เลยนะครับดูแล้วเลยสบายใจแต่งตัวดูแล้วก็เหมือนมันปลาเป็นเด่นะแต่ว่ามันควงเอาเสีงยงเดีงยงนีมันสะเทืนความรู้สึกลรา ถึงจะเป็นพระจริงก็ตามก็ไม่รู้ว่าคนสร้างนี่จะเป็นชาวคลิกหรือเปล่านะเพราะว่าคนจีนน่าตื่นคลิก็เยอะก็เพี้ยนๆไปแต่เรียกว่ายังมีเจลาวาสเรานี่ยังแข่งมากถึงจะหย่อนๆอะไรไปยังไงก็ตามแต่ในหลักยังแข็งในส่วนใหญ่ยังแข็งให้ได้ <c oughs> นะครับการนี้เราก็มาดูคาถามที่สองถัดไปนะครับคาถามที่สองถัดไปจะเป็นั้นว่าคาถามที่หนึ่งที่เราถามว่าทางถวายรูปเจ้าไม่สงกราวว่ามีผลมากหรือเขาบอกว่าใช่นะก็ได้เห็นผลสงก้าก็คือาหมายถึงไม่ใช่องค์จริงรับเป็นองค์ไม่จริง พระพุทธเจ้าไม่ได้บริโภคความจริงแล้วไม่ว่าจะอองค์ไม่จริงพุทธนิมิตเนี่ยถ้ามีองค์จริงเั็นผู่เร่งวอกคุ้มคุมอยู่ข้างหลังนะก็ถ้าถือว่าได้ผลมากแล้วก็รับแล้วจะบริโภคไม่บริโภคก็ไม่เป็นธนาอีกครับก็ยังได้ขลมากอยู่นั่นเองอยังชื่อว่าทํากับพุทธเจ้าอยู่นันเอง อย่ามาเอาเอาไอ้แง่มุมเล็กๆน้อยๆตัวนี้มาหาักล้างหลักใหญ่จากประสูตรนี้ไม่ได้ในคําถามที่สองก็ถามว่าพระผู้มีพระภาคนี่เราเรายกข้อเท็จจริงบางอย่างมาให้ฟังนะครับว่าพระผู้มีพระภาคเป็นยอดแห่งทวิบทเป็นผู้ประเสริฐสูตรเป็นประธานเป็นอุดมเป็นผู้บวรแห่งทวิบทไม่มีใครเสมอเหมือนไม่มีผู้เสมอเหมือน ไม่มีใครเปรียบไม่มีใครเทียบไม่มีใครเทียมนี่ใช่หรืออคําว่าทวีบดในบรรดาเหล่าสัตว์เนี่ยสัตว์ที่มีสองเท้าเนี่ยมันบอกความว่าเป็นยอดสัตว์อยู่แล้วตัดสองเท้านะแต่ตัดไม่มีเทา้าก็ไม่เป็นยอดสัตว์ตัดมีก็เท้าเยอะก็ไม่เป็นยอดดอีกว่าสัตว์ ยอดๆทั้งหลายนี่มักจะมีสองเท้าเป็นมนุษย์ที่มีสองเท้าสัตว์ใดถ้ามีสองเท้าก็จะมักจะมีลักษณะดีคล้ายๆว่าเป็นน้องๆม น, น, นุษย์อย่างลิงนี่นะเอามาลงเอามาเล่ลนละครไดน้น้องคนนีกต้องตากันอ่าทีนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวครับทีนี้ไปเกิดเป็นเท ว, วดาแล้ว เป็นสมแล้วก่อนน่าจะมีเท้าเพิ่มือลดเท้าหรือเท้าเพ่งเท้าก็ยังมีสองเท้าเพราะฉะนั้นสัตว์ที่มีลักษณะสองเท้าเนี่ยในความเข้าใจหรือในความสำนึกอย่างียนเดียนเนี่ยเขาพูดว่าต้งมีบทต้องมีบทเนี่ยเขาหมายถึงยอดสัตว์นะยอดสัตว์จะมีสองเท้าส่วนสัตว์เหล่าใดจะมามีเท้า สองเท้าอย่างมนุษย์เนี่ยไอ้บางอย่างมันก็อาจจะไม่เป็นเท้าหรอกอย่างเช่นปลาตีนนี่มันก็อาจจะไม่ใช่เท้าใกล้เท้าไอ้นี่กบมันใช้เท้ามากหน่อยนะเต็อมันก็สองเท้าไก่มันก็สองเท้าปรกออยู่ในเครือประเทสองเาเหมือนกันก็อาจจะถือว่าเป็นเป็นข้อตีแยกออกไป นะครับแต่ก็คงจะไม่กระเทือนในหลักตรงนี้ของท่านที่เป็นสัตว์สองเท้า <c oughs> <c oughs> ทีนี้ในบรรดายสัตว์เลิศคือสัตว์สองเท้าเนี่ยก็ยังมีคู่เลิอในหมู่สัตว์สองเท้าคือเป็นยอดของยอดสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้านะครับอันนี้พระพุทธเจ้าทรงประกาศเอง แล้วก็เป็นที่รับรองของหมู่พรหมของหมู่พมณะร า, ามของหมู่เทวดาทั้งหลายว่าบูชานั้นเป็นเนียกว่าเป็นพรหมของพรหมเป็นเทวดาของเทวดาเป็นกพางของพระเป็นอาจารย์ของอาจารย์เป็นกรรษัตริย์ของกษัต ร, ริย์เป็นยอดเขาหมดเพราะฉะนั้นพวกพรหมแม้จะเป็นพรหมชั้นสูงเช่นสุตาวาสพรมก็ยังยอมพระกุติก้า กรมต่ําลงมาจนะทั่งถึงกรมชั้นต่ําสุดปฐมฌานภูมิก็ยอมพระพุธทธเจ้าเทวดาทุกครั้งยอมหมดมนุษย์ในโลกนี้ทั้งโลกก็เรียกว่ายอมยกให้พระพุทธเจ้าหมดว่าเป็นเลิศกว่าใครทั้งหมดนี่มองในฐานะที่ว่าท่านเป็นยอดคนที่ถามว่าเลิศเนี่ยเลิศอะไรเอาอะไรมาเป็นเรื่องสําคัญว่าเลิศทางพระลูประการที่ทางอะไร ที่การว่าท่านถือเอาทางพระคุณหรือทางคุณธรรมเป็นเอกนะครับแม้ว่าพระเจ้าจะทรงถึงพร้อมด้วยมหาปุริสาลักษณะใหญ่น้อยไงก็ตามอันนั้นยังไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญเขาไม่ได้นับถึงพระเจ้าเคราะตรงนั้นแต่นับถือเพราะพระคุณด้วยประการต่างๆนี่เป็นเป็นเลือดตรงนี้เช่นถึงอแล้วคนสมา้ำที่คุณอย่างที่ว่าในปัญหาต่อไป ไม่มีใครเทียบเทียมเลยเราเราก็ยอมมาอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่บวชเนี่ยนะถ้าพระเจ้าประสิทิที่โกศลจะทรงสเสด็จไปสู่แว้นสักกะตั้งแต่พระเจ้าสุธโธสนาไล่ลงมาเจอตั้งถึงพระพุทธเจ้าใครต่อใครต้องออก